มีมีอะไรรึเปล่ามีอะไรจะถามเหรอถามแรก น, นี่นเบบมียจะบอกได้ค่ะ่ถามหวพ่อค่ะว่าเอาเอว่าลูกชายตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ค, ค, ค่้อไหนข้ น, นี้ค่ะแล้วพ่อกับแม่นี่พอจะอทำยังไงที่จะช่วย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 ถ้าจะถ้าจะปฏิบัติวิปัสสนาก็เตรียมเตรียมเสื้อโลงไว้ท mm hmm. ั้งของเราทั้งของเขาไม่ใช่แต่จะก็ของทุกคนเนี่ยในเนี่ยทุกคนจะต้องมีโรงกักหนึ่งโรงถ้าคิดตามวิปัสสนาจนะให้คิดว่าร่างกายมันเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็น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 ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวสุขประเดี๋ยวประเดสุขแล้วก็หมดไปได้ดูได้ยินได้ฟังได้เด่นได้รับประทานก็มีความสุขเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปก็อยากจะได้อีกก็ต้องไปหามใหม่ก็ต้องใช้ร่างกายแต่ร่างกายมันไม่สามารถที่จะหาตามความอยากของเราไปได้ตลอด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 ก็ถือว่าเป็นบุญ ก, กรรมของเขาที่เขาเกิดมาได้ร่างกายอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบุญกรรมส่วนหนึ่งก็เรื่องของกรร ม, มาพันพ่อแม่เป็นอย่างไรก็ให้อย่างนั้นมากับลูกพ่อแม่มีมีโรคติดตัวมามันก็ติดมันก็ส่งมาผ่านทางลูกได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมที่ก็ทํามา ทีพ่อแม่ไม่มีอะไรเสียหายแต่ลูกกลับมีความเสียหายอรนนี้ก็ต้องอาจจะเป็นเรื่องของกรรมของเขาทำไงได้อยากจะมาเกิดอยากจะมีร่างกายมันก็ต้องอย่างนี้แหละตอให้มันดียังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอยู่ดีก็ม อ, องคนที่เขาแยกกว่าเราแยกกับลูกเราก็แล้วกัน เด็กที่เป็นดาวก็มีเด็กที่เป็นออทิสติกก็มีเด็กที่พิกลีิการแขนขาขาขายหูหนวกตาบอดก็มีมันก็เป็นเรื่องของร่างกายถ้าไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับร่างกายก็อย่าใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งพยายามมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้สร้างที่พึ่งทางใจกัน แล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้ายังพึ่งร่างกายอยู่มันก็ต้องเจอแบบนี้แหละอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องแต่งงานแต่งงานก็ต้องมีลูกมีลูกก็ได้ลูกมาอย่างนี้บางทีก็ดีบ า, บางทีดีทางร่างกายแต่จิตใจไม่ดีก็มีเกเลย มีเรื่องมีราวเลี้ยงมาก็โตขึ้นก็นมีแต่เรื่องแต่ราให้ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราพึ่งร่างกายกันพอเพิ่งเพึ่งร่างกายมันก็มีผลต่อเรื่องตามมาเป็นลูกโซ่เห็นทําตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านว่ามันเป็นทางไปสู่ความทุกข์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 ในการทําทานด้วยการททาการักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าไม่มีเงินทําทานต้องเก็บเงินไว้ใช้กับการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องทําทานรักษาศีลไปถ้าจะปฏิบัติธรรมภาวนาก็ต้องรักษาศีล แ, แกศีลแปดเพมันจะได้กั้นความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูนกนิ้วกายจะได้ไม่เสียเวลา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 ไม่ไปกวนมันมันก็นิ่งเราชอบกวนมันด้วยความอยากพออยากแล้วมันก็กเพิ่มกระสับกระสายตะวนก็วายหงุดหงิดลำคาญใจาำอะไรต่างๆนี่มันเกิดจากความอยากนั่นั้นถ้าเห็นโทษของการอาศัยร่างกาย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 มีไรบ้างุล่าไรบ้างก็อยากจะก็อตอนนี้อยากอยากจะศึกษาแนวทางปฏิบัตินะครับ่เอาหนังสือไปอ า, อาซีดีไปฟังต้องใจเยน็นๆต้องศึกษาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจแล้วค่อยปฏิบัติ นะก็อย่าไปวิ่งตรไม่มีใครรู้อานาคตว่าจะเป็นยังไงเราจะไปก่อนเขาแล้วเขาจะไปก่อนเราเราก็ไม่รู้ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันมีอะไรจะถามไหมไ ม, มีอะไรหรือเปล่า จะเสอือใจไปกับควา ม, วามอยากพอดีผมต้องทำงานเกี่ยวกับที่จะต้องดูแลรักษาคนมันจะอยากให้เขาหาย ม, มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าบางทีอยากจะให้เขาหายมากมากไปก็ปหยุดมันเลยหยุดความอยาก ใช้พุโทโธพุธโทโธท่องไปภายในใจแล้วก็บอกว่าความอยากมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้คนหายหรือไม่หายสิ่งที่จะทําให้คนหายไม่หายก็คือหมอหรือยาแล้วก็อาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้เพราะโรคบางโรคมันก็รักษาไงมันก็ไม่หาย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 เราวิเคราแล้วรู้ว่ารักษาไม่ได้เพราะไม่มียา <c oughs> ก็ต้องมันก็ต้องไม่หายเช่นพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมันจะไม่หายทนีงมันก็ตายรูปเดียวตายช้าตายเร็วตายก็ดียังสบายจะได้ไม่ต้องมารักษากันให้เหนื่อยรักษาหายเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็เป็นอีก พอตายแล้วมันก็หายสนิทเลยมันไม่กลับมาเป็นอีกทุกโรคเลยไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมันก็หายเองเดี๋ยวไม่หายใจทุโกโรคทุกอย่างก็หายไปหมดความตายนี่รักษาได้ทุกโรคใช่ไหมมาใช้เหตุผลคิดได้แค่นี้มันก็มีแค่นี้เองมันมีอะไร ถ้าเป็นหมอก็ดีเลยไม่หายจะได้กลับมารักษาบ่อยๆจะได้มีลูกค้าถ้ารักษาหายแล้วเดี๋ยวเขาไม่กลับมาเราก็ไม่มีอยากจะมีลูกค้าหรออยากจะมีลูกค้าก็เขาเรียนเรียงไข้ไว้เนี่ยอย่าอย่าไปรักษาให้มันหายรักษาหายเขาก็ไม่กลับมาหาเรา อย่างคนบางคนมาหาเราเพราะเขาเขาเดือดร้อนยากจนพอเขาร่ำรวยขึ้นมาเขาก็ไม่กลับมาหาเราแล้วเขาสบายใจแล้วเราก็ขาดลูกค้าไปเราต้องเลี้ยงลูกค้าปล่อยให้เขาไม่สบายใจไปเรื่อยๆเขาจะได้มาหาเราอยู่เรื่อยๆจะได้มาทําบุญอยู่เรื่อยๆถ้าเขาหลุดพ้นครับเขาหายจากความทุกข์แล้วเขาก็ไม่มาหาเราแล้ว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 ขับไปกว่ามันจะเสียก็เข้าอู่ใหม่จนกว่าจะซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปเปลี่ยนรถใหม่คนขับก็คนเดิมใช่ไหมแต่รถนี้คันใหม่เปลี่ยนคันใหม่ใจง่าแบบเดียวใจมีอายุยืนยาวนานกว่าร่างกายใจไม่ตายไปกับร่างกายพอร่างกายเสียใจก็เปลี่ยนร่างกายใหม่ถ้ายังต้องใช้ร่างกายอยู่ก็ไปหาร่างกายใหม่ เหมือนกับคนที่ต้องใช้รถใหม่ก็รถเก่าเสียก็ต้องขายทิ้งไปเปลี่ยนซื้อกันใหม่มาขับต่อเช่นคนไข้เขาเขาไม่เป็นอะไรอ่ะใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเขาเราซ่อมร่างกายเขาแต่ใจเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาทุกไปเองเขาหลงไปเองเขาหลงไปคิดว่าเขาเป็นร่างกาย พอร่างกายไม่สบายเขาก็วุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเขารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาก็เฉยๆได้ทำใจเฉยๆได้เหมือนเราทำใจเฉยๆกับรถยนต์นะฮะรถยนต์เสียเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปขับมันถ้ามีเงินซ่อมก็ซ่อมไปเนี่ยเราต้องม า, าเตือนเราอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย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 ยกให้ทับลยลเปรตไปแล้วเราก็ไปหารถเราก็ไปหาร่างกายใหม่ถ้าอยากได้ร่างกายดีกว่าเก่าก็ต้องมีเงินมีบุญถ้ามีบุญเยอะก็จะได้กลับมาเกิดดีกว่าเก่าถ้ามีบุญน้อยก็จะกลับมาแย่กว่าเก่าเหมือนกับถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ซื้อรถแบบดีกว่าดีกว่าคันใหม่ดีกว่าคันเก่าไม่ได้ ก็อาจจะซื้อรถที่ถูกกว่าคันเก่าก็คุณภาพก็ไม่ดีสู้คันเก่าเพราะเงินเราน้อยเราไม่เก็บไว้สำหรับซื้อรถยนต์เอาไปซื้ อ, อยางอื่นหมดพอถึงเวลาจะซื้อรถก็เลยไม่มีเงินซื้อรถที่ดีอันใดเราก็เนี่ยเอาเวลาของเราไปใช้กับอย่างอื่นหมดใช้กับกิเลสตัณหาความอยาก ไม่มีเงินทำบุญเวลาตายไปก็เลยไม่ได้ร่างกายที่ดีถ้าไปทำบาปยิ่งได้ร่างกายที่แย่ใหญ่แานที่แล้ร่างของมนุษย์ก็จะได้ร่างของเดรัจฉานไปเ่ยนจะใช้เหตุผลเหตุผลมันก็จะระงับความอยากได้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 เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่ตายเทานะั้นถึงจะหายจะไปวิตกอะไรธรรมชาติอนาคตของร่างกายมันมีไม่มีทางเดินของปันไปอยู่แล้วทางสู่โรคทั้งสามนี้อยู่ที่คนขับอยู่ที่คนมาดูแลร่างกายนี้ต้องทำใจนะนะ้วต้องยอมรับความจริงอนี้น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 ยินดีกับความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นอย่างไรก็ยินดีตอนนี้มันไม่เจ็บก็ยินดีตอนนี้มันเจ็บก็ยินดีอนนี้มันจะตายก็ยินดีถ้ายินดีกับทุกอย่างมันก็ไม่ทุกข์มันก็จะสบายใจเย็นใจสุขใจพอใจต้องมาปฏิบัติกันต้องมาทําใจให้ให้ปล่อยวางให้เป็น เราปล่อยวางไปแล้วก็จะสบายตอนนี้เราปล่อยเป็นเรายึดติดพอะยึดติดแล้วก็อยากให้สิ่งที่เรายึดติดนี่ดีเราติดยึดติดกับคนไข้ก็อยากให้คนไข้หายเราต้องพิจารณาว่าเราไม่ใช่เป็นเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ ร่างกายของคนทุกคนนี่เหมือนกับฝนฝนฟ้าอากาศมีใครไปควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศได้สั่งให้ฝนตกเมื่อไหร่สั่งให้ฝน ห, ห, หยุดเมื่อไหร่ได้ไหมพอสั่งไม่ได้เราต้องทําไงเราก็ทําใจกันแล้วก็อยู่กับฝนฟ้าอากาศได้ฝนมันจะตกแดดมันจะออกน้ำจะท่วมอากาศมันจะแรงเราก็อยู่กับมันได้เพราะเราทําอะไรไม่ได้ เราก็ทำใจร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายแล้วก็ท่ามันไม่ได้เราก็ต้องทำใจทำใจแล้วเราก็สบายไม่เดือดร้อน mm. เข้าใจไหมเน mm. ้นังหัดทำใจเราจะมีความสบายเวลา แต่ว่ามาอเนนนั้นตนัวกลับาตลอดถ้าอาจารย์อย่างที่ถามอาจารย์วันก่อนนะตรงที่ว่าพอเราเดินจงองทรงเสร็จปุ๊บพอเข้าสู่ชีวิตกปกติปุ๊บหนไดการปฏิฆะกับผู้นี้มาปบอาจารย์ตอบว่าหนูบอกว่าหนูเ ล, เลยลองใช้ปัญญาหรือว่าแต่าต้องใช้อาจุภาะคือปฏิฆากับอาจุพระมัน ก็เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิฆาขึ้นมาเราอยากกินกาแฟแล้วไม่ได้กินนี่มันก็ฮืดฮัดืดฮัดหงุดหงดปฏิฆาก็ขึ้นมาเังนั้นต้องหยุดความอยากกินกาแฟพอหยุดได้แล้วมันก็จะไม่มีปฏิฆาขึมาสำหรับในเรื่องของกาแฟปฏิฆามันมันเกิดจากการมีการอารมณ์กับ ลูกเสียงกลิ่นรถถดถั่วงมันต้องตัดหมดเลยมันถึงปฏิฆามันถึงจะหมดได้มีตอนนั้นที่เห็นปฏิฆาเพราะอะไรเพราะว่ามาไม่คิดว่าตัวเองต้องอยู่เวรแล้วพอเกิดดูตารางเวรเสร็จแล้วดูท้องไม่อยู่เวรอันนั้นไม่ปฏิฆาหรอกอันนั้นอันนั้นหงุดหงิดเกิดความเครียดเกิดความไม่พอใจอันนี้มันแล้วไม่เรียกว่าปฏิฆาปฏิฆาคือความหงุดหงิดที่เกิดจากเวลาที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมา ก็ต้องทำใจจับเทธรรมานตาไปควบคุมบงังคับ <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆไม่ได้โ <c oughs> งดนมันมีหลายหลายหลายอย่างแต่มันไม่ใช่คำโงดีนี่จะที่คำว่าปฏิฆาเนี่ยมันโงดีจากการอารมณ์แต่ที่โงดีนี่มันหงดีจากไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเข้าใจไหเป็นทุกข์ทุกข์ในอริยศาสตรต์นแสดงว่า สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์พัภาคจากสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกข์มันก็ปฏิฆาเหมือนกันแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเราไม่ใช้คาว่าปฏิฆาปฏิฆานี่หมายถึงในการที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วไม่ได้เสบการาาอารมณ์ ก็ไม่เกี่ยวถ้ากินกาแฟก็ต้องดูก็อสุภะก็ต้องดูอาหารเลยปฏิกูลสรรยาดูเวลามันผสมกับน้ำลายแล้วถุยออกมาแล้วกินเข้าไปใหม่ได้เปล่ามันอร่อยกนะ็ก่อนจะกินก็ถุยน้ำลายใส่เข้าไปในถ้วยกาแฟก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็จะต้องไปผสมกับน้ำลายเราดี <c oughs> ไม่กล้า ก, ลกินกับอ่าทไมนะก็อร่อยไม่ใช่แต่รู้ว่ารสมันไม่เปลี่ยนในะลงไปในก ะ, ะแล้วัก็ยังไม่เปลี่ยนก็ไม่ไเปลี่ยนหรอกมันยังไม่มีเวลาที่ไปมีปฏิกิริยากับ อ, าอ่างอย่างนี้แ่ลีอสัอย่างที่เเคยแสดงเวลาเราพิจามาสนใจรักแยแยงใจ นิจังสับอนัตตาสับทุกขังแต่บังเอิญส่วนใหญ่ที่เห็นจะเห็นทุกขังที่มันเกิดขึ้นในใจก่อนแล้วก็พิจารณาต่อไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราพิจารณาอย่างเนี้ยถือว่าเราพิจารณาเข้าสู่อริยสัปถิไม่น่าเล่าเท่าไหร ก็ถ้าเกินว่าถ้าพิจารณาลงไปให้ดูเหตุผลทุกทำไมเราถึงเกิดอาการอย่างนี้ยแค่นี้เพียงพอไหมครัาจารก็ต้องให้มันหายทุกันมันถึงจะเพียงพอต้องจิตใจต้องกลับมาเป็นปกติถ้าถาอย่างนี้ในกรณีนี้ก็คือว่าที่เขาบอกว่าให้เห็นธรรมในในี้ก็สติปัฏฐานสี่เห็นธรรมก็คือเห็นไจรักแต่เห็นอริยะ คือเห็นอันใดอันหนึ่งก็ได้ใ่ไก็จะรู้ว่าเห็นต่อให้เห็นอริยสัจสิก็ต้องพยายามใช้ปัญญายงขึอย่าไปคายกันเองก็ลองดูเอาก็เห็นอันไหนแล้วมันดับความทุกข์ได้ก็ใช้ได้ค <c oughs> า, าตัวทำไมก็ <c oughs> ไปปฏิบัติสิแล้วก็จะรู้เองไม่ต้องมาถาม <c oughs> ว่าผู้ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ว่าพอมันเกิดอาการไหวของจิดปุ๊เราก็รู้ว่าคือมันเกิดแล้ ว, แ ล, วแล้วหยุดเป็นได้ไหรือเปล่าได้มื่อได้มื ง, มงอส่วนใหญ่ก็ใช้พอมันส่วนใหญ่ก็ร่ว้ว่เกิดแล้วก็ถ้าสู้ไม่ไหวก็นิ่งไว้เดี๋ยวมันจะดับเองนนนิ่งเฉยเเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าอย่างเชาแม่มันกลับมาเกิดก็ต้อง ก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นยาเสพติดไงเห็นยาเสพติดเห็นโทษของมันนะอ่ากล้าเสบไม่ยาเสพติดออก็แฟมันก็ยาเสพติดแบบอ่อนๆยังไม่เห็นโทษของมันมันก็เสพอยู่นั่นเราทำเราทำให้เราเป็นทาตของมันขึ้นมามันต้องเห็นทุกข์ก็ได้เห็นอนนิจจังก็ได้เห็นอนัตตาหรือเห็นทั้งสามตัวก็ได้ หรือถ้าเป็นการอารมณ์ก็ต้องเห็นอสุภาะารือไห่เห็นอาหารเลยปฏิบูรณลสัญญาถ้าเป็นการอารมณ์เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นสีของอาหารนี้มันก็ต้องทำลายรูปรสกลิ่นสีที่สวยงามที่น่าดมน่าชมดูตอนที่มันออกมาจากทางทวารหนักดูมันน่าดมน่าชมนมันก็มาจาก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 นต้องคิดอย่างนี้มันต้องเอาของตรงกันข้ามมาแก้กันเราลักของสวยของงามเราอยากจะเกลียดมันเราก็ต้องไปดูเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันไม่สวยไม่งามแล้วเรายังจะลักมันอยู่หรือเปล่ามันอยู่ที่เหตุผลของความอยากของเราบางทีเราไปอยากให้มันเที่ยงล้าก็ต้องมองว่ามันไม่เที่ยงถ้าเราไปอยากให้มันเป็นของเราเราก็ต้องไม่มองว่ามันไม่ได้เป็นของเรา แล้วมันอยู่ที่ความอยากของเราว่ามันมีมันมีสมุดฐานมีพื้นฐานอยู่อะไรอยากให้มันสุขก็ต้องเมาให้เห็นว่ามันทุกข์อยากให้มันเที่ยงอย่างเช่นร่างกายเนี่ยอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ต้องไปมองว่ามันแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าจะมองว่าเป็นของเราอย่างเงี้ยสามีนี่เป็นของเราเนี่จะต้องเป็นของเราคนอื่นมาแย่งเอาไปไม่ได้เนี่ยเราไปดู สามีของคนอื่นที่ก็ถูกแย่งไปดูซิเป็นยังไงไปดูตัวอย่างของคนอื่นไมได้แล้วเรามีอะไรมามารับประกันว่าก็จะเป็นของเราไปตลอดต้องมองอย่างนี้สิถ้าเป็นของเราเราก็ต้องสั่งให้อยู่กับเราไปตลอดได้แล้มันอยู่ที่ว่ากีเลสของเรามันจะพุ่งไปตรง จุดไหนพุ่งไปในความสุขก็ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่สุขมันเป็นความทุกข์ถ้าสู้พุ่งไปในความเที่ยงแท้แน่นอนถาวอนก็ต้องไปดูว่ามันจะเที่ยงแท้แน่นอนถาวรนไปได้ทั้กี่วันมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าไปเห็นว่ามันน่า ก, กินก็ต้องไปดูเวลาที่มันไม่น่ากินบ้างเป็นยังไง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 แฟนทิ้งเราไปไปมีแฟนใหม่จะทำไงห้ามเขาได้ป่าใช่ไหมหมอจึงไม่มีแฟนใช่ไหมเพามองเห็นว่าไม่ใช่เป็นของหมอใช่ไหมไม่มีใครเขาทำไมยังไม่มองเราไม่ไปมองเขาเองอ่ะเราไปประเมินตัวเราต่าเกินไปเองอะ่ะ ขนาดคนหูหนูตาบอดคนก็นยังมีแฟนได้เลยแล้ว <laughs> ดีกว่าคนหูหนงตาบอดขนาดไหนถ้ามันจะมีไม่ได้อเราไม่สนใจเองอใครมาจีบหน่อยก็ใส่เขาเห่าใส่เขากัดท้ <laughs> <laughs> องเราก็ไม่เอาซิ <laughs> เราต้องวิเคราะห์ว่าตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหน <laughs> เราทุกข์เพราะความอยากให้มันเที่ยงหรืออยากให้มันเป็นของเรา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 ห่างความไม่ได้ก็ปล่อยก็ทําไปที่ก็จบพอปล่อยก็ทําไปเราก็ฟังไปเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยก็พูดไปมันก็ไม่เครียดเครียดเพราะความอยากไม่ไม่ไม่อยากจะฟังคือจะยืนจะยินเรื่องที่อย่างสมมุติเ้ามาบ่นว่าเขาป่วยเขาไม่มุ่งมนเขาสิงนี้คนที่ฟังก็ก็คิดว่า เ, ออเราต้อง แต่ช่วยต้องคือเข้าเป็นแบบที่น้องกันแล้วก็พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะมันก็ว่าเออมาบนให้ฟังแบบเขาช่วยไปหลายทีแล้วก็เหมือนกับไม่พออะไรก็ต้องดูเหตุผลดูขอบเขตของความช่วยเหลื อ, อว่าพอประมาณหรือ ย, อยังเราเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเราเดือดร้อนเราก็ต้องบอกว่าช่วยได้แค่นี้แหละต้องใจ ใจเข้มแข็งมีเหตุนีผลอยากจะช่วยแต่บอกมันช่วยไม่ได้เพราะช่วยแล้วเราตายเนี้ยต่อไปก็คุณก็มาช่วยเรามาสายเราไม่ได้อยู่ดีเห็นตอนนี้มันถึงขีดที่ว่าช่วยไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยเพราะความตณียนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็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 ฟังเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกาไปหรือถ้าทนไม่ได้ก็พูดโทรพูดโทรไปภายในใจอให้เขาพูดไปทําตัวเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยเดี๋ยวเขาคุยกับต้นเสาไปสักพักเขาก็เบื่อเยออถ้าไม่มีการตอบโต้ไม่มีการตอบสนองเดี๋ยวเขาพูดไปสักพักเขาก็เบื่อแล้วต่อบไปเขาก็จะไม่กลับมาถ้าขอได้เขาก็จะกลับมาเรื่อยๆ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 หรือมองให้มันไกลกว่านี้สักยี่สิบสาสิบปีก็ตายกันหมดแล้วทั้งเขาทั้งเรา <c oughs> มันก็จบใช่ไหมชีวิตเราก็เป็นเหมือนละครเดี๋ยวมันก็จบใชแล้วเราจะดูว่าละครของเราจบตอนนี้นคือปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดก็กรร กรรเขากรรมเราด้วยถึงมาเจอกันเวลาอาจารย์บอกว่าปล่อยวางนี่คือเราก็สมมติมีข้ามากระทบใจเราแล้วก็มองผ่านอย่าเอามาแบกอย่าเอามาคิดไปคิดว่าช่วยไม่ได้มันสุดวิสัยทำอะไรไม่ได้ถ้าทำได้ก็ทำไปก็ได้มันไม่ไม่ว่าจะศาสนาใน คนนับถือศาสนาในปัญหาก็อันเดียวกันนะปัญหาของความทุกข์ใจความเครียดใจนี่เกิดจากความอยากนะแต่ศาสนาก็มีวิธีแก้าการต่างกันไปแต่ทางศาสนาพูดนี่เป็นวิธีแก้ที่ตรงประเด็นตรงจุด<ม>เป็นสาคุลแก้ได้กับคนทุกศาสนา<ม>แต่ถ้าก็ไม่เชื่อมันก็ช่วยไม่ได้ศาสนาพูดก็เป็นเหมือนยายี่ห้ออะไ่งนี้ ที่รักษาโรกได้ทุกอย่างแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบยี่ห้อนี้เขาชอบยี่ห้อ น, นึงก็ก็ ช, ช่วยไม่ไายเขาจะคิดไม่เหมือนเราเพราะว่าคนก็ถูก <แง S 1> สอ น, <ห>นมาไม่เหมือนกันไงเาอย่านาพุเราอปล่อยวางให้มันไปกนงอยู่ับไปใช่เขาบล่ อ, อบบยไม่ได้บางทีความเมตตาของเขานี่กลายเป็นความ ความปวดร้ายทารุณยู่ที่เขาไม่รู้สึกตัวฆ่าเพราะแต่เห็นว่าเขาเจ็บรักษาไม่หายก็ฆ่าเขาเลยดีกว่าก็จะได้ไม่ทรมาน <Wow S 2> พวกสัตว์เลี้ยงนี่เขาฆ่าเหมนเวลาที่มันเป็นเป็นโรคภัยแล้วมันรักษาไม่ได้ไม่อยากจะดูมันทรมานก็เลยฆ่ามันแต่มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาหนึ่งมันเราไปตัดสินใจให้เขาเองใช่ไหม แต่เมื่อตัวเขาเองจะตัดสินใจถ้าก็ก็เป็นวิธีที่แก้ปัญหาผิดจุดเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นต้องเปนอย่างนี้อยู่แล้วแล้วผู้ที่เครียดนี้ไม่ได้เป็นใจที่ไม่ได้เป็นร่างกายที่ที่สามารถที่จะไม่เครียดได้วิธีที่แก้ปัญหาก็คือต้องมาแก้ที่ใจ มเองเป็นต่างชาเไม่้องทั้งัทุกเรื่องลูกเรื่องก็คือตแล้วบางทีเราก็ถูกค่เพราะว่าเหมือนกับความอยากไงอยากให้มันดีคือเสามสิบอย่างี้ครู้สึกว่าเขาหน้าจะเชื่อเหลยอตัวเองแต่ว่าก็ไม่ค้นพ่ออยาจะเป็นลักษณะเหมือนกับมีเรื่องชัดใจมาให้แฟนเรื่อยๆลรวก็ไม่อยากคือบ้านเราจะเป็นลักษณะว่ายูบโตแล้วก็ต้องให้เขาเชื่อเหลือตัวเอง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 ถ้าเราไปคอยแก้ปัญหาเขาเขาก็จะโยนปัญหามาให้เราแก้อยู่เรื่อยๆ แ, แต่ตัวเราไม่ค่อยทูกเพราะเราจะก็มีปฏิบัติธรรมบ้างค่ะาจะทูกอยู่เรื่อยๆว่าลูกเขาตายไปลูกจะเป็นยังไงบก็ต้องเป็นางนากรรมนะเพราะว่าคนเรามมาคนะอ<ช>นนนที่สือก็ลองตายตามกันไปหมดแล้ว <c oughs>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 ไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทุกข์ลพอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทุกข์อยู่พอพอใจแล้วก็กลัวมันจะจากเราไปแ ล, แล้วเวลามันจากไปจริงๆก็ทุกข์อีกเนก็มันมาสร้างปัญหาเองของหนึ่งด่างเขาก็มาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ เ, เขาก็มาแล้วสร้งอยู่แล้วเขาก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไปยุ่งกับเขาเองไปพอใจพอพอใจก็ไม่อยากให้เขาดับ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 ฟางเฉยด้วยสติด้วยปัญญาอัไหนทำได้ก็ทำไปแต่ใจยจะไม่มีความรักความชังกับสิ่งต่างๆเพราะรักก็ทุกแบบหนึ่งชังก็ทุกแบบหนึ่งรักก็ทุกตอนที่เขาจากเาไปชังก็ทุก์เวลาที่เขามาหาเราแต่ถ้าเฉยๆไม่รักไม่ชังก็สบายเขามาหาเราเราก็ไม่ทุกเขาไปเราก็ไม่ทุกไหนเหมืนอนใจตรงไหนดานตรงไหนล่ะก็ฉย แต่ไม่ได้เฉยเฉยแบบไม่มีเห็นไม่มีผลไงมีเงินแบกให้เขาก็ได้มีอะไรให้เขาก็ได้ช่วยเลือดร้อนได้เไงแต่ใจเฉยเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ท, ที่เราจะต้องเจอไม่ใช่พอต้องเสียเงินเนี่ยโอ้ยเบื่อละท้าเวลาได้เงินนี่โอ้ยชอบนี่ไอ้ น, นี่อย่าง น, นี้เรียกว่าใจดีนะใจดําใจเฉยเฉยก็คือว่าอ่าได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจเข้าใจไหย คามมาอยู่ตรงนี้พอรู้ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปเท่า น, นั้นแหละคุณคิดว่าของทางที่คุณมีอยู่นี่คุณจะไม่เสียไปหรอไม่เสียวันนี้ก็ต้องเสียพรุ่งนี้แหละเวลาตายไปกลายเป็นของไคยไปคุณเอาไปได้หรอเป่าไม่คิดถึงตอนนี้กันบ้า ง, งไม่คิดถึงที่ตอนที่จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเลถึงบอกอยากให้เป็นโลกมะเร็งกันนี่ยแล้วหมอบอกอยู่ได้สามเดือนนี่มันจะได้ทิ่งทุกอย่างได้มันจะไม่อยากได้อะไรแล้ว อยากจะได้บุญแล้วสิอยากจะปล่อยวางก็้วสถึงคิดให้ถึงคิดให้ใหพระเจ้าถึงบอกให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าคิดได้เนี่ยความตายเนี่ยยาวิเศษยาตัดความโลคความกวดความหลงได้อย่างทันทีทันใด้เลยนี่ไปหาหมอสิหมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือนด้วยมีอะไรก็อยากจะให้คนนู้นคนนี้ไปแล้วยกให้เข้าไปแล้ว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 เราจะได้มีความเมตตาเออมีอะไรใครเดือดร้อนพรอมแบ่งให้กันได้ก็แบ่งกันไปเพราะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ตายไปก็าอาไปไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ต้องให้แบบมีเหตุมีผลนยไม่ได้ให้แบบเหมือนกับเทน้ําใส่ใส่ถังรั่วงเงี้ยให้แบบนั้นก็อย่าไปให้ให้มันเท่าไหร่ก็หมดไปกินเหล้าไปเล่นการพนันหมดแล้วมันก็มาขอใหม่ให้แบบนี้ก็อย่าไปให้มัน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 แล้วก็คอยเตือนมันใกล้จะหมดแล้วนะจะได้บอกให้เขานับถอยหลังได้ว่าเหลือกี่ขอได้กี่ครั้งนะหมดแล้วนะเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ต้องฝึกทําใจนั่งทํานั่งทําสมาธิใจสงบแล้วจะมีความสุขแล้วจะปล่อยได้หมดเสียได้หมด เสียเงินเสียทองเสียอะไรก็เสียได้เพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเพอเราได้ความสุขที่ดีกว่าจากการได้เงินทองไม่ต้องพึ่เงินทองนอกจากไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นไม่นั่งเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่าพยายามปฏิบัติให้ได้นะของดีอยู่ในตัวเรานี่แหลพะพวกเราเป็นเหมือนไก่ได้พลอย ของดีมีไม่เอาเจลพลอยนี่เขียทิ้งหมดเลยยาวแต่ตัวนอนตัวไส้เดือน้วได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้ตำแหน่งได้เรื่อนยศได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอไม่ได้ก็เสียใจโกรธทุกข์ แต่ถ้าได้ความสงบแล้วไม่อยากได้อะไรจะไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจเสียก็ไม่เสียใจก็ เ, เหมือนของแถมอย่างเงี้ยเราไปเติมน้ํามันนี่เขาจะแถมผลอะไรให้เราได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ํามันหนยอันไหมถ้าเราได้น้ํามันคือความสุขใจแล้วจะได้อะไรอย่างอื่นมาก็ไม่สําคัญจะเสียอะไรอย่างอื่นไปก็ไม่สําคัญ <c oughs> อ่า น, นี่ให้ได้อันนี้แหละเป็นของเราของแท้ของจริงของถาวรอยู่กับเราไปตลอดมีใครอยากจะถามอะไรไหมครั้งก่อนที่เก็บตัวค่ะตอนที่ตำหนดอยู่แค่ปจัจจักปริยันโตแล้วมันมีาการแรงที่ตอหลังก็เปลี่ยนเทคขึ้ให้หุดเชน ท น, นี้เนี่ยตอนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนหลอกก็พอเราเปความรู้สึกเพื่อที่เราจะเล่นกับเล่นกับอเวทนาเราต้องมีสมาธิเยอะกว่านี้ก็เลยไม่ได้พิจารณาเรื่องของกายเรื่องของเวทนาหันมานีุ้ยเรื่องของสติมากขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมจังหรือว่าเราโดนกิเลสหลอกไม่ให้เราพิจารณา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 ออฉันชอบเธอแล้อเกินเจ็บกบนนี้ไม่ได้เลยให้มันชอบมันชอบกาแฟดูสิจะจะไม่อยากให้มันไปหรอกเอาความชอบกาแฟมาใช้กับชอบกับความเจ็บดูเลยทาได้ไหมเวลาเราชอบกาแฟเป็นยังไงนึกถึงตอนนั้นแล้วก็มาใช้กับใช้กับความเจ็บนิ่เดีวถ้าเราชอบมันแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับมัน มันเป็นอาการหลายๆอย่างกันบางทีอย่างที่า อ, าอาจารย์บอกว่าอาการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจิตฟุ้อะเดี๋ยวมันมนตัวมั้งม่ออถ้ามันฟุ้งก็พุทธโทไปก่อนแต่ใช้สติไปก่อนทำใจให้นิ่งก่อนถ้ามันอยู่ที่ว่าใจเรานิ่ยอย่างถ้าใจไม่นิ่งก็พิจารณาไม่ได้ผลทอมันจะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้าใจนิ่งแล้วพิจารณามันก็จะเป็นเหตุเป็นผลใช้อุบายต่างๆก็จะใช้ได้ เอาความชอบกาแฟมาใช้กับความชอบความเจ็บก็ได้มันก็เป็นความชอบอันเดียวกันนี่แหละถ้าชอบกาแฟได้ก็ชอบความเจ็บได้ชพระว่าชอบคนที่เขากินพริกคนที่เขาชอบกินพริกเ้ายังมีความสุขได้ใช่คนที่ไม่ชอบกินพริกก็เอาความชอบอันนี้มากินชอบกินพริกเหมือนคนอื่นเามันก็มีความสุขได้คนไม่ชอบกินพริกนี่เวลากินพริกก็โหยทุกข์เนี่ แต่คนที่ชอบกินพริกนี่โอ้ยเท่าไหร่เท่ากันหัดมาชอบความเจ็บดีต่อไปมันจะเจ็บอะอรก็เท่าไหร่เท่ากันอย่าหนี้ความเจ็บเอย่ารังเกียจความเจ็บพยายามเดินเข้าหาความเจ็บเหมือนกับเราเดินก็หาแฟนเนี่ยคือต้องนั่งบ่อยๆให้มันเจ็บบ่อยๆเจ็บนานๆอย่าไปทิ้งแฟนอย่าไปหนีแฟนต้องรักแฟนถือความเจ็บนี่เป็นแฟนของเรา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 ถ้าเราเกลียดอะไรนี่เราจะอยากจะปัดมันทิ้งไปพอปัดไม่ได้มันก็เครียดมันก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารักอะไรเราก็อยากจะดึงมันไว้ให้อยู่กับเรานานๆพอมันไปดึงไม่ได้ก็เครียดกทุกข์นี่เราต้องหัดสลับทํากันอันไหนที่เราเกลียดเราหัดรักมันอันไหนที่เราชอบเราไม่ชอบ เ, อเราชอบเราหัดเกลียดมันแล้วต่อไปเวลา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 อลูกนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะอ่านใจคนได้เนี่ยคนใจนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะที่จะไปอ่านความคิดของเอคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเพว่ากำลังคิดอะไรคือการรู้แจ้งเห็นจริงนี่มันมีหลายหลายลื้แจ้งแต่ที่ทางเป้าหมายของศาสนานี่อยู่ที่รู้ในอริยสัจสี่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้ตายรักอันนี้รู้จากเรื่องของตัวเอง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 เครื่องของคนอื่นได้อันนี้ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิแล้วการสุดจิตให้ให้ให้ใช้ความสามารถของจิตไปในเรื่องราวต่างๆนี่สามารถสุดได้อยู่ที่เราเคยสุดมาหรือเปล่าคื อ, อคการรับรู้ได้เนี่ยเกิดจาระแสจิต ท, ทใช่แล้วาา <7 S 2> จิตเจิตของเรานี่ยเนเหมือนสถานีวิทยุรู้ป่ามันคิอดจะไปมัน ก, ก็กระจายเสียงแต่มันเป็นเสียงทิพคนที่มีหูทิพเขาก็ฟังได้ รูปคลิปก็เหมือนกันกาเลือกชาตินี่ก็เลิกหมือนก็นเลือกไปในอดีตได้จ mm. ิตนี้นอกจากที่จ ะ, ะสามารถทําให้ตนเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะก็ยังสามารถสร้างอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ความอภิญญายต่างๆขึ้นมาได้เหาะเหินเดินอากาศอย่างพระโมคคัลลานี่ท่านมีอิทธิฤทธิหลายรูปแบบแต่พระสารีบุตรไม่มีเลย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 ก็เลยบางทีเกิดความอยากไปทำอาชีพเป็นหมอดูนี่ก็เลยแทนที่จะไปบวชแทนที่จะไปปฏิบัติเพื่อตักกิเลสก็เลยเอาความรู้นี่มาเป็นเครื่องมือหากินหาหาเงินหาทองหาความสุขไงมันก็ยังเป็นเป็นเป็นธาตุของกิเลสอยู่กิเลสเอามาใช้เป็นเครื่องมือพระุทธเจ้าจาึงทรงยกย่องพระสารีบุตว่าเป็นอัครสาวกมือขวา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 พมกัลลานี้เก่งกว่าภาษารีบุอะไรยังทีนี้เอาไปปฏิบัติดูเดี๋ยวเราอาจจะมีไรยถามมาก็ได้อย่างหลวงปูม่มานนี่ท่านติดต่อกับเทวดาได้รู้สึกอ่านจิตของลูกศิดลูกหาได้ท่านก็ระลึกชาติได้ครูบาอาจารย์บางรูปท่านกาล็ละลกชาติได้ ที่พวก็นั่งฟังหูไว้หูก็ราบางทีมันก็พวกเอ่อพวกก็เรกอะไรพวกกูข่าวกันขึ้นมาก็มีพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเราอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนอแต่ก็ไม่ต้องไปปฏิเสธใครก็พูดอะไรก็ฟังไว้ฟังไว้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 ถ้าต้องเจอกันก็ต้องแก้ที่ใจถ้าเราปิดไปดปิดปากเขาไม่ได้เราก็ต้องมาปิดใจแล้วเราก็ทําใจอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยปัญญาแต่มัไม่ได้แก้เพื่อจะดับทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแ ล, แล้วจริงๆแล้วสำหรับสายที่ชนจากผู้ที่บวชเรียนเนี่ยการเฉลยปัญญาจะต่างกันนะคะคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่พาคสงฆ์หรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเยอะๆเนี่ย เปิดปัญญาตุกงิเ่อที่จะหลุดค้ใช่ไหมอมองเห็นตัดเปันไก แ, <ม>แต่ทางสาทุกทางผุุ้ชนนี่ยังจะแก้ปัญหาเพื่อที่จะติดอยู่กับโลกอยู่เช่นยากจนจะหาวิธีทำงางให้รวย อ, อันนี้แต่ทางข้าที่ตัดไปเลยไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาความรวยเลยพอรวยแล้วเดี๋ยวก็ลองหมดเดี๋ยวก็ต้องตายอะไร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 ให่เราทธาหากินลำบากค่าขายไม่ดีก็ต้องใช้ปัญญาดูวิเคราะห์ดูว่ า, าจะทําอะไรดีเปลี่ยนอาทีพดีั้มเปลี่ยนสินค้าขายดีไหมเปลี่ยนเปลี่ยนที่ขายดีั้มอันนี้ก็เป็นปัญญาของกิเลสใช่ไนม่นนะเพราะทำไปเพื่อจะให้รวยขึ้นถ้าเป็นปัญญาทางธรรมก็ถ้ามันยุ่งยากนนก็อย่าไปขายมาันเลยว่าไปบวชซะ <c oughs> ทางนี้เป็ปัญญาทางธรร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 เกิดขอนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัตินะแล้วจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงไปตามลำดับอาจารย์ขอถามขอถามอามีกอันยังจะเกิดกำลังไปห ร, รือเป่าคือที่ดูอ่านหนังสือที่อาจารย์เสนอตระภาจารย์ตั้งบรรยายติงตอนที่ดอกบัวดอกที่สองจะบานก็ให้ตั้งใจเช่นนั้นแล้วก็ทำลาย ทำลายไปทําพิจ า, จารณาตายตั้งทำลายไเปเรื่อยๆจนในที่สุดจิตมันหลุดออกมาเองทีนี้เนี่ยมันต่างกับกับที่เหมือนเคยได้ยินคนหลายๆคนก็ชอบพูดว่าเขานั่งสมาธิเนี่ยจิตเ้าหลุดออกมาเขาข้างนอกเขาเริ่มมาเห็นลักษณะสองอันเนี่ยพระอาจารย์ก็เหมือนกันไงนก็หลุดออกมาจากกายทําลายร่างกายไปพอร่างกายถูกทาลายไปหมดมันก็เหลือแต่จิตตัวเดียว มันก็เหมือนกันไอที่หลุดแล้นั้นเขาหลุดด้วยด้วยดิวย ด, วย ด, วยด้วยส ม, มสถะด้วยการพุทโธพุทโธบริกรรมเจริญจิตไปพอจิตรวมลงมันก็เหมือนกับเร่งออกมาจากร่างกายแยากกันออกไปแต่ถ้าใช้วิปัสสนาก็เผาร่างกายทําลายร่างกายนี้ให้มันกลายเป็นที่เท่าขี้ฐานไปพอร่างกายหายไปหมดก็เหลือแต่จิตล้วนๆแยกกันออกไปอันนี้ก็เป็นวิปัสสนา ท, ที่หนูเห็นคนหลา ย, ลายคน อย่าไปยุ่งกับคนอื่นก็พูดเลยนะยุ่งกับตัวเราเถอะชอบแยวเรื่องของคนอื่นมาให้เรามาเคนชอบพูดให้เราสับสนนะนี่แล้วก็บอกแล้วตอนนี้หายสับสนหล้อยังอ่าเราไปทำดูสิมีปัญหาร้อยแปดปฏิฆาย่งเข้าใจอ่ปฏิฆามันต้องขั้นระดับขั้น สกิรดาคามีอน า, าคามีเข้าไปแล้วก็ถึงเยเรียกว่าปฏิฆะอันนั้นท่านไม่มีไม่มีความทุกข์กับเรื่องทางโลกแล้วทางไอ้ทางราบยุทสรเสริญทางร่างกายของตนแล้วมียังมีการอารมยังอยากจะเสพกามอยู่อ่างการอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ความเครียดเนี่ยทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เนี่ย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 ไปอันนี้เจอจกับตัวที่ทำงานคนนู้นทำานนู้นอย่างนี้ไม่พอใจก็หงุดเงิดขึ้นมา